เดินแบบนี้ไหมไม่เคยเพราะบางทีบางคนถ้าไม่เคฝึกก็จะเดินไปก็เดินดูนะเดินดูติดข้างทางหรือบางทีก็เดินไปคิดเนีคิดถึงงานที่จะทําคิดถึงที่ที่เราอยากให้ใคถึงนะเราก็เลยเดนดูดูร่างกายเขาเดินอที่จริงมันก็เพียงแค่ เราก็แค่กลับมาดูกันเดินกลับมาดูการเดิ น, ดดนอันดับแรกในการฝึกจริงๆคือเราจะฝึกอย่างไรให้เรามีความรู้สึกตัวเมื่อเราฝึกมีความรู้สึกตัวการฝึกให้มีความรู้สึกตัวอ่ามันจะต้องรู้สองอย่างก่อนไอ้ที่ไม่มีมรู้สึกตัวคืออะไรก่ <c oughs> อนจะรู้สึกเป็นจริงเลยมันทำให้เรารู้ว่าไอ้ที่ทําให้เรารู้สึกตัวคืออะไร ไอ้ที่ม่รู้สึกตัวไอ้ที่การคิดไปอยู่กับความคิดหรือไปอยู่กับอารมณ์ทำให้เราบุ่นตัวใช่ไหมงันเราเดินเราจะคิดพอเรารู้ตัวว่าเราคิดมันก็จะกลับมาหรือพอเรารู้ตัวว่าเราโกรธต่อยามันก็จะกลับมาอันนี้คือเรารู้ตัวว่ามันไม่รู้สึกตัวมันก็เลยจะกลับมารู้สึกตัวหรืออย่างหนึ่งคือการที่บางทีเรา ตั้งแต่มากเดินไปเพ่งจ้องมาเดินไปเนีมันทาให้เราเหมือนรู้แต่มันไม่สบายเนี่ยรู้อยู่นะแต่มันไม่สบายรู้สึกอึดอัดรู้สึกมันมันตั้งใจมาเดินไปอันนี้คือการรู้รู้สึกตัวแบบนึงนะเนียมันเป็นการรู้แบบจ้องมาเดินไปถ้าไงราถึงจะกลับมานะมันก็เป็นการเหมือนฝึกใครจำได้บ้างตอนที่เราเดินแรกครั้งแรกมีไหย เร <c oughs> าก็จำไม่ได้เลยนะ <c oughs> นานไปนะอืเดาจําได้ไหมตอนที่เราเคยว่ายน้ําเป็นลอยคอเป็นครั้งแรกว่วายน้ําเป็นไหมใครว่ายน้ำไม่เป็นอมีบ้างขี่จักรยานเป็นไหมใครขี่จักรยานไม่เป็นบ้างมีอ่าไม่เป็นไรเนาะแต่บางคนถ้าจําได้นะ ตอนที่เราเรียนว่ายน้ำครั้งแรกหรือขี่จักรยานครั้งแรกเนี่ยเราก็ล้มหรือบทีเราก็จมขี่จักรยานก็ล้มว่ายน้ําก็จมต้องเกแต่จำความรู้สึกตอนที่ลอยคอได้เองตอนนั้นเป็นมันดีใจนะมันรู้สึกอื้อเราทาได้แล้วนะ <c oughs> หรือตอนที่เราประคองจักรยานได้แล้วมันไม่ล้มไม่ ไม่เที่ยงเลยแล้วก็เตแล้วล้มเพราะเราั stay, รากอากซองนั้นได้ความรู้สึกตอนนั้นคือมันจะมีความรู้สึกอ๋อเป็นแบบนี้่เองนะอ๋อที่เราโจมมาบ่อยๆคือเราล้มบ่อยมันมันคิดพลาดแบบนี้อ๋อแบบนี้คือมัพอดีมันจะเป็นความรู้สึกอ๋อที่เรามาอธิบายไม่ถูกแต่เรารู้สึกอ๋อเป็นแบบนี้นะแล้วมันจะมีความดีใจตื่นขึ้นมาไอ้นี้ก็เหมือนกันเวลาเราปฏิบัติธรรม เนีที่บอกว่าเราเรียนรู้สิ่งที่มันให้เราดูตัวเองหรือว่าลงไปสองอานก็คือ อ, อ๋อไอ้ น, นี้มันเป็นการวางใจอย่างปฏิบัติธรรมนี่มีอะไรบากเลยนะให้ท่าทางเป็นแค่ต้นแบบเป็นอุบายแต่สีนวลคือการวางใจเพราะว่าบ า, างใจเป็นกลางวางใจเป็นผู้ ด, ดูมันจะบางไว้ตรงไหน <c oughs> ตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องต้องไรีว่าทดลองแล้วก็ เรียนรู้ดูอ๋อมันเป็นตรงนี้นะอย่างที่เราอ๋อวางเอ่าวางตัวเทลคลายจับจตยานปั่นจักยานเป็นแบบนี้เนาะนะไรนะหรือลอยตัวหรือบนน้ําอ๋อเป็นแบบนี้มากพอดีอันนี้ต้องเหมือนกันอ๋อวางใจแบบนี้เนาะมันเป็นต่างๆพอดีเพราะบางเทียนจะวางใจแบบนี้ให้มเข้าในมากเกินไปคือเหมือนจ้องเช่นดูก็จะจ้องเดี่ยกับเท้า กับมือหรือเขาจะจ้องดูแต่กับลมมันจะเพ่งเข้าในแต่ได้มีบางคนเหมืนเอาแจกออกไปข้างนอกพยายามที่จะดูคล้ายๆเนดูคนอื่นมีบางคนนักปฏิบัติบางคนบอกแค่เป็นผู้ดูก็ะเดี๋ยวเราจิตออกไปอยู่ข้างนอกเลยแล้วก็ค่อยมาดูร่างกายแต่มันจะเป็นดูแบบเหมือนดูคนอื่นมันมันไม่ใช่แต่การเราดูคนอื่นอ่ะอย่างโยบุตนาจะเห็นนายยกมือ เห็นนะเห็นทุกคนเราดูเราก็เห็นแต่โยมสัมผัสกับการเคลื่อนไหวขังเทมาได้ไหยไม่ได้คนระับมันดูมันเห็นเราดูตัวเองก็เหมือนกันไม่ใช่แบบดูดูแบบแค่เห็นแต่อย่างที่มาบอกมันเป็นส่วนผนสมของการเห็นแล้วก็รู้สึกเข้าไปด้วยนเทมาใจก็เห็นการเคลื่อนของตัวเองใจก็รู้สึกตรงนี้ไปด้วย เราก็ดูในเองเหมือนกันอ๋อมันเป็นตรงนี้อ๋อตรงนี้ที่มันรู้สึกไปด้วยเห็นไปด้วยไม่ลืมตัวไปด้วยมันจะเจอ น, นะอยเนี่ยที่บอกถ้าเราศึกษาือว่าการวางใจให้เป็นกลางอยู่ตรงไหนความพอดียตรงไหนเราก็จดจำตัวอาแล้ ว, วนะไว้ให้ได้แล้วบางครั้งใจเราจะเผลอไปคิดแล้วก็แค่กลับมาดูใหม่ ใจเราจะพิงเข้าไปอีกวะล้วก็แค่กลับมาใหม่มันเหมือนเช่นนั้นนะทําเหมือนนะเหมือนเราขับรถอ่ะเราจะประคอร์ไว้ให้มันตรงกลางอย่างเดียวมันก็เกร็งน่ะบางทีเอ็นซ้ายแล้วก็แค่กลับมาเอ็นขวากไปแล้วก็แค่กลับมาเหมือนสบายๆอ่ะมันก็แค่ประคอร์ไว้ให้มันพอดีพอดีเหมือนเราเดินอ่ะเราจะเดินให้เป๊ะๆอย่เดียวเด็เกร็งแต่เราเดินสบายๆอัดรู้ตัวไว้เอ็นก็กลับมาอันนี้คือ เป็นการฝึกให้รู้ว่าเราจะต้องวางใจแบบไหนถ้าเราวางใจได้ถูกอันนี้จิตมันจเกิดสภาวะที่ว่าจิตมันตื่น <c oughs> จิตมันตื่นขึ้นมานะตื่นขึ้นมามีตัวรู้ขึ้นมามีความรู้สึกตัวที่มันตั้งมั่นขึ้นมามันก็เหมือนกับที่ว่าอ๋าเราไหาน้าเำ็ปแล้วเราขี่จากยานันแล้วนะเราขับรถไปนะัว้วนจังหวาต้องใส่ต้อง เหยียดคัดต้องเปลี่ยนเกลียทำแบบไหนสัมพันธ์กันนะมันจะร้จังหวะแบบนี้นี่เองการเห็นกายเห็นใจเราอ๋ะจังหวะแบบนี้เองนะมันเป็นเพียงแค่เหมือนการเริ่มต้นนะเริ่มต้นว่ายน้ำได้เริ่มต้นขี่จักรยานได้หรือเราเริ่มต้นอ่านหนังสือได้แต่เป็นการแค่เริ่มต้นนะเราขี่จัยานได้เราต้องขี่ไปนขึ้นต้าหมาย เราอ่านหนังสือเราก็สมคำได้แต่ความรู้จริจรงๆมันคือเราต้องอ่านไเรื่อยๆศึกษาเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันการตั้งต้นรู้สึกตั้งต้นให้มีสติที่แท้จริงนะตัวสติที่แท้จริงเนนะี่ยเปต็ตัวสําคัญตัวรู้สึกตัวที่เป็นผู้รู้จริงๆเนี่ยเป็นสติที่สําคัญเราครั้งนี้เราเจตัวนี้นคอยสังเกตดูดูร่างกายและจิตใจใ น, น, น, นี้บ่อยๆหมายว่อาอ่านหนังสือแล้วอ่านออกแล้ว แต่เราก็ตอ่านไปอ่านไปทางไปเราก็จะเข้าใจเราก็จเกิดความรู้มากขึ้นเรื่ยเรื่อเราดูตัวเองก็เหมือนกันอ๋อดูเป็นแล้วแต่ก็ต้องดูไปบ่อยนะดูไปบ่อยดูบ่อยเราก็จะเห็นความจริงที่เกิดขึ้นในการในใจของเราจนทำอ๋อเรื่องนี้เข้าใจละเรื่องนี้เข้าใจละเข้าใจแล้วก็จะวางได้วางได้อะไรอะไรเป็นทุกอะไรเป็นเหตุให้ทุก ทำแบบนัน้นถึงจะไม่ทุกข์นะมันก็จะวางได้เปลี่ยนได้ไบ่อยๆนี่คือเราตั้งต้นในการมีสติให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะสติตรงนะเป็นตัวจริงนะแล้วก็เมื่อเรามีสติมีความรู้สึกตัวสติกจ้ความรู้สึกตัวเร็จพาพ า, พาเราไปเองนะพาเราไปเองบางทีหลวงพ่อคนเขียนอาจารย์หลวงีิจิตร ถ้าเรารู้สึตัวเป็นนะมีสติจริงๆเหมือนเรานั่งรถถูกคันนะเช่นเรานั่งรถเมล์รถบัสนะถ้าเรานั่งรถถูกคันเดี๋ยวราก็พาเราไปถึงเป้าหมายเองถ้าเรามีสติที่ถูกต้องก็เหมือนกันแล้ว เ, เหมือนเรานั่งรถถูกคันนะเราก็ทำความเพียรไ้เรืยมันก็จะไปถึงเป้าหมายออันนี้คือ ที่จริงตัวที่ยากที่ตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นตเป็นการที่จะมีสติเป็นผู้ดูจริงๆนะ่ะนักปฏิบัติธรรมเคยไหลบางทีที่พลาดคือเพ่งเจ้านะเพ่งเจ้า ม, มากเกินไปหรือบางทีพอมาสงบเราก็พอใจในความสงบก็เลยแช่นความสงบแต่คนที่ไม่ปฏิบาติธรรมก็จะเสนีเลไหลไปเรื่อยหลบไปเรื่อยนะั่น ไม่ค่อยสอนยู่ตรงนี้สับตัวมันเที่เหมือนจุดตบสองด้านคนไม่ปฏิบัติก็แบบลอยเรื่อยๆไปตามอารมณ์ไปตามความคิดแต่นักปฏิบัติลงคนก็ทิ้งไว้คงน้อยมือนแต่พอเราปฏิบัติแบบนี้นะมันก็เหมือนไนใช้มันจะเห็นว่าบางทีเราก็ทิ้งบางทีเราก็เจอหรือเราทิ้งแล้วก็เจอแล้วก็อ๋อมันมันก็จะพอดีตรงนี้ะเหมือนในใช้อ่านหนังสือโยมถ้ามีบรรทัตินะ ถ้าเราเกรงแบบจะให้กับเขียนมันแบบอยู่ในบรรทักกดตลอดเนี่ยมันจะเกรงมากเลยนะใช่ไหมแต่ถ้าเราเขียนเรื่อยเรือ่อยมันเริ่มสูงไปแล้วเนาะเริ่มต่ำแล้วเราก็ต้อปรับอันนั้นสิ่งที่ผิดมันก็เป็นแค่ประสบการณ์ประสบการณ์ดีไซอ์นั่นเราเถลอไปบ้างเพ่งไปบ้างก็เป็นแค่ประสบการณ์ให้เราปรับมาอยู่ตรงการแค่นั้นเองเราไ ม, ไ, เรไม่ต้องไปซีเรียสในสิ่งที่ผิดไม่ต้องหม่ยหัว่าต่อไปมันจะคิดอีกหรือเปล่าถ้าเราทําไปเรื่อมันก็จะปรับไปเอง เราก็จะทำนานขึ้นแค่นี้เองไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าให้ใส่ใจในสิ่งที่เราทําแล้วก็อะไรผ่านไปแล้วก็ชานะ่างนั้นอะไรยังไม่เกิดก็วางไว้ก่อนใส่ใจที่ปัจจุบันเป็นหลักเพราะที่จริงนะเคยเคยสอนนันกปฏิบททัติครับตอนที่เรารู้สึกตัวนะเคลื่อนไหวทุกไหมแทนเราเคลื่อนไหวมือ ถ้าเรารู้สึกตัวทุกไหมไม่ทุกเนี <c oughs> ่ยปัจิบัติทำจริงก็คือทำให้ไม่ทุกแค่นี้นะ <c oughs> ใช่ไหมแค่ไม่ทุกนะแต่ก็มีนักปฏิบัตินะบางคนสงสัย้ต่อไปถ้าเราไม่สบายต่อไปถ้าเราต้องตายมันก็ต้องทุกสิเราถามแล้วตอนตอนนี้ไม่สบายลูก่า <c> ว <oughs> ตอนนี้ก็ยังตายได้ยังยังใช่ไหมอืมยังไม่ตายแต่ถ้าตอนนี้เราไม่พุกตอนเนี้ยใช่ไหมถ้าท่านตอนหนึ่งตอนที่เราไม่สบายแล้วเราก็รู้สึกตัวแบบไม่อยู่อ่ะไม่ได้ทุกขหมที่จริงนะคนเราก็หลงถ้าเรารู้สตัวนี้มันทุกข์เราก็แก้ทุกข์ตอนนี้เดี๋ยวตอนที่เราไปกังวล ความแก่ความวลนความเจ็บความวลความตายตอนที่เราไปคิดถึงตอนที่เราจะเจ็บหนักตอนเราจะตายถามว่าความคิดที่กังวลนั้นมนเป็นอนาคตหรือเป็นปัจจุบันตอนที่เราคิดถึงตอนนี้เราจะตายเรากลัวตายมันตายยังไอ้ความคิดนั้นเป็นปัจจุบันหรือเป็นอนาคตเป็นปัจจุบันนะ เราคิดตอนเนี้ยเราคิดตอนนี้เราก็กลัวตอนนี้ใช่ไหมเรากลัวตอนนี้เราก็ทุกตอนนี้ใช่ไหมเรามันยังไม่ตายนะใช่ไหมแต่เราพอคิดว่าเราจะตายเราทุกข์เลยพอสมมติถ้ารู้ตัวว่าเราทุกข์ตอนนี้จะทำไงล้วก็เปลี่ยนมารู้สึกตัวมันก็ดับทุกข์ใช่ไหมอืมนั้นความทุกข์ในอนาคตมันมีจริงหรือเปล่าไม่มีนะเราดึงมาคิดก็ก็อทุกข์ตอนนี้นะ ใช่ไหมเรายังไม่ตายยังไม่แก่เลยแต่เราทุกข์แล้วใช่ไหมทุกข์ตอนไหนทุกตอนนี้หรือเรื่องราวในอดีตที่คนเคยว่าเราที่เราเคยทุกข์ใจเราดึงเข้ามาคิดดึงมาคิดมาเป็นความทุกข์ในอดีตหรือทุกข์ในปัจจุบันนะทุกข์ในปัจจุบันใช่ไหมใช่ไหมเรื่องมผ่านไปปีที่แล้วก่ายเป็นเมื่อวานแะ คือผ่านไปเมื่อกี้นะแต่เรามาคิดมคือตอนนี้คิดคือตอนนี้แล้วตอนนี้มันทุกข์ไหมถ้าเรารูกก้ว่าเราทุกข์เาแบกบเรามาวางมนะันรู้สึกตัวมันก็ไม่ทุกข์นั้นจริงๆนะสังเกต ด, ด, ดูดีทุกข์ในอดีตมีจริงไหมมันผ่านไปแล้วแต่ถ้าเราคิดมันทุกข์ตอนนี้ก็คือตอนนี้ทุกข์นะใช่ไหม ทุกในอนาคตมันมีจริงไหมไม่ ม, ม, ม, มีเราคิดเราก็ทุกตอนนี้นั้นะทุกในอดีตทุกในอ น, นาคตก็ไม่มีจริงมีแต่ทุกที่ปัจจุบันแล้วทุกที่ปัจจุบันแก้ได้แบบไหนใช่ไหมถ้าเราแค่มีสติ ต, ตอนเนี้ยมันก็แก้ได้สันติเลยมันง่ายเดียวนะแต่คนก็โลภไปไปกลัวอนาคตไปคิดอดีตแก้ที่ปัจจุบันจบเลย ใช่ไหมอนาคตเขเป็นเรื่องปัจจุบันใหม่ทําแค่นี้แหละเนาะไม่ได้ยากแต่ถ้ทําไปด้อยนะ่นถ้าเราเห็นถ้าเราเข้าใจจริงนะชีวิตจะไม่ยาก <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องมีอะไรมากกว่นี้นะไม่ต้องไปรู้ไม่ต้องไปอ่านพระไตรปิฎกก็ได้ไม่ต้องไปรู้ประสวดอะไรมากมายก็ได้แค่ถ้าเรารู้สึกตัวจริงๆแล้ว เปลี่ยนทุกเป็นความไม่ทุกแค่นั้นแค่นี้นะที่จริงมสมัย่อนพระเจ้าเจ้านะถ้าไม่ได้สอนแบบเป็นหลักสูตรเรียนหลายๆปีนะต้องเรียนรู้ทุกอย่างอย่างที่เราสวนวันนี้เป็นพระเจ้าท่านเทศประสูน์หนึ่งบทหนึ่งนูนโคนไม้นูนเดินว่างนูนท่านนะไปปฏิบัติเอาแค่สิ่งที่เราสอนนะั้นแล้วก็ไปทําดูแล้วก็ทํำบ่อยๆมันจะเกิดประสบการณ์แล้วก็ ถ้ามีอะไรก็มามาอรายงานมาถามนะนะทําแค่นี้นะไม่ต้องไปรู้อะไรมากกว่านี้ทําไปนะนี่ก็พูดให้ฟังแต่เราเราเห็นนะทําแค่นี้นะอ่าเราสังเกตดูเดี๋ยวเราไปกินข้าวก็สังเกต ด, ดูมีสติในการตักมีสติในการเคี้ยวมีสติในการกลืนให้เรารู้สึกไปเนรสชาติจะรู้สึกไป ต่กินไปฟีๆนะรู้สึกไปด้วยนะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือรถที่สัมผัสนะนี่คือความรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวพอรู้สึกแล้วบางทีเกิดความพอใจไม่พอใจให้เรารู้ทันหรือกินไปบางทีก็แว บ, บไปคิดเรื่องอื่นให้เรารู้ทันเ ว, เวลานี้เวลาอะไร ตามตัวเองเวลากินข้าวกลับมาอยู ก, การกินไม่ใช่เวลาคิดนะจ๊ะกลับมาอยู่นั่งพุแบบนี้นะต่อไปเราจะเห็นอ็อกจริงเวลากินข้าวเราก็สามารถมีสติได้อืมเดินไปเข้าห้องน้ําก็เดินไปทีละก้าวกินข้าวก็กินข้าวทีละคําำจะทําอะไรก็ให้ตั้งใจทำทีละอยามันจะทําให้เรามีสติมีสมาธิในสิ่งที่เราทำนะ มันจะไม่แบบบางทีเราถ้าเราทำแล่ระอย่างพร้อมกันกินไปคุยไปคิดไปดูไปมันเหมือนประสิทธิภาพเราจะถูกแบืงเหมือนเราจับจับปลาสองมือนะมันก็อันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีทำแต่ยะอย่างมันแบ่งสมาธิออกไปก็ให้เราลองไปตึก ด, ด, ดูนะแล้วก็นะเรากลับมาตุดนะเป็นต่อนะ มันแค่เปลี่ยนสถานที่ฝึก <c oughs> ในยีรเวทอื่นนะแต่เราก็อาศัยเนี่ยลองสังเกตดูอ้อมันดีก็ตั้งใจดูเกินไปก็เกรงนะกินข้าวก็เกรงอืแต่ถ้าเมื่อเกินไปมันเคยชินมันก็จะคิดฟุ้งซ่านเยอะทําแบบไหนระหว่างเรียนรู้ดูอ๋อระหว่างการไม่เกรงแล้วก็ไม่ฟุ้งนะหรือเกงไปก็กลับมาได้ฟุ้งไปก็กลับมาได้ สังเกตดูทําแบบนี้มันจะสนุกสนุกเหมือนในการท่องปรับดูวางใจแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้นะสนุกดีนะเหมือนพวกเหมือนศิลปีนนะก็สนุกในการวาดอ๋อแบบนี้เข้มไปแบบนี้เบาไปอมันก็สนุกในการดงน้ําหนักนักอีไลก็สนุกนะอ๋อแบบนี้เหนื่อยไปแบบนี้อสบายนะ อคนเขียนหนังสือก็แบบนี้เขียนปรดีปรดีนักดนตรีก็เหมือนกันแบบนี้มันแรงไปแบบนี้มันเบาไปเนะี่อมันก็จะแบบนี้จับนะแข็งไปอนะืมันก็ค่ค่อยศึกษามจะสนุกนะการปฏิบัติธรรมจริงสนุกสนุกในการเขียนสนุกในการเรียนรู้ในการวางใจนะนะาะอะกาศป้องกันนะ